คำว่าภพบแบ่งออกเป็นสองกรรมมาภพกับอุปาติภพก็แบ่งออกเป็นสองกรรมมาภพกับอุปัติภพทีนี้ที่อาศัยของภพเหล่านี้เรียกว่าภาชนะใช่ไหมเราก็จะนึกถึงแต่โอกาสจริงนึกถึงแต่โอกาสเฉยๆถ้านึกถึงแต่โอกาสเฉยๆก็ต้องใช้คำว่าโลกน โอกาสสโลกขันอะไรนะสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสสโลกคือจริงๆอ่ะของเราโดยมากทั่วๆไปจะนึกถึงแต่สถานที่นะเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ค่อยคิดเรื่องเรื่องวชีวาเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเท่าไหร่เราจะคิดถึงแต่เรื่องสถานที่ถามว่าประกาศถึงอัธยาศัยไหมประกาศว่าเป็นกลุ่มการมุปาทานไม่ใช่กลุ่มที่ถูกปาทานไม่ใช่ศีลพรตูปาทาน ไม่ใช่กลุ่มอัตวาทูปาทานแต่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกามมปาทานคือเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่า <c oughs> เราจะเห็นว่ามีอิทธิพลไปถึงเรื่องอการสอนการเจริญธรรมะในระดับสูงด้วยเช่นสอนธรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าหากว่าคำหนึ่งถึงสถานที่นะก็ลักษณะของอารมณ์ของวิปัสสนาก็จะเป็นนอกตัวซะเยอะ จะเป็นอย่างนั้นไม่มีอิทธิพลจริงๆครับเพราะว่าสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุกรรมนิยมะนะเนื่องจากสมัยก่อนเข้าไม่ได้ประเมินค่าไอ้วัตถุกรรมมาตีเป็นตัวเลขสมัยนี้เราประเมินไอ้วัตถุกรรมเป็นตัวเลขประเมินว่าชีวิตไม่ค่อยมีค่าอย่างที่บริษัทประกันแห่งหนึ่งพูดว่าะนไะมีรถ bmw เนี่ยไปขับชนกำแพงวัดใช่ไหมประกันบอกว่าน่าจะชนคนเลยเพราะมันจ่ายถูกกว่าจ่ายค่าซ่อมรถใช่ไหมคือถ้าบริษัทประกันจ่ายค่าซ่อมรถมันจ่ายหลายแสนนะถ้าจ่ายคนตายอาจจะไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยนะเั้น <c oughs> บริษัทประกันก็เลยบอกว่าคุณน่าจะชนคนไปเลยปราณนั้นนะจ่ายถูกกว่าเยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะเขาเห็นว่าไอ้วัตถุอันนั้นอ่ะมันมีค่ากว่าเรื่องชีวิตด้วยซ้าไป ในสมัยที่วัตถุ ก, การมเฟื่องฟูจะเป็นแบบนั้นมันก็เลยให้ค่ากับวัตถุกรรมเป็นหลักเนี่ยนะคนจะฆ่าตัวตายก็เพราะวัตถุกรรมอีกนั่นแหละพวกกลุ่มนี้กลุ่มกร ม, มุปลาธานเนี่ยนะจิตที่ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากรมะจิตผู้ที่ปฏิสนธิในพอบพูมิเหล่านี้เรียกว่าการมะมพาูมเนี่ย น, นะกรรมะพูมปฏิสนธิวิญญาณเหล่านี้นะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่า จะว่าไปก็คือพบสามกำเนิด4คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดอย่างที่กล่าวไปแล้วก็สัตวาวาสเก้าที่รวมเรียกย่อๆว่าวัตตะกับสงสาร สัตว์ทั้งหลายตอนแรกก็จะลุ่มหลงในสิ่งนี้ก่อนเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มที่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ว่างามพวกนี้จะต่อด้วยกลุ่มกามม ป, ปาทานเนี่ยนะเอ่อพวกที่ลุ่มหลงว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ใดสร้างมันเที่ยงหรือมันศูนกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มทิฏฐ ป, ปาทานเนี่ยนะกลุ่มที่ถีขึ้นอ่ะนะ จะมีกลุ่มหนึ่งต้องเข้าไปจัดแจงอย่างนี้เข้าไปปฏิบัติอย่างนั้นเข้าไปทำตัวอย่างนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มศีลพรตเนีย่ยแล้วก็กลุ่มศีลพรตูปาทานานะนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไปสําคัญว่าในพวกนี้มีอัตตาอยู่ในนั้นนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอั ต, ตาวาทุปาทานานะนะก็สําสคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาไปเพราะมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีทิฏฐิก็มีทิฏฐิในสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ถ้าจำแนกแยกแยกออกไปโดยละเอียดแล้ว น, นะคืออะไรถ้ามองโดยลักษณะเป็นเหตุเป็นผลก็คือวัตตะถ้ามองแบบวิเคราะห์ไปแล้วก็คือสังสาระหมายถึงตัวขันตัวอายตนะตัวธาตุขันอายตนะธาตุแสดงแบบผู้ที่เห็นภายในวัตตะจริงๆถ้าจะบอกว่าสิ่งนี้คือชาตินะ นะการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าชาติแม้ทั้งปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้ก็บอกถึงคำว่าชาติอยู่แล้วเป็นหลักนะทั้งหมดนี่มีเที่ยงไหมสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายมีไหมไม่มีทุกภพภูมิต้องต้องตายทั้งหมดทันที่สุดของชาติก็คือมรณะไอระหว่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าชาราหมดเลยเนี่ยนะชาราันหลังจากชาติเป็นต้นมาเรียกชาราหมดเลย ดูในมหานิทานสูตรชอบอยู่คํานึง น, นะก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิในครันของมารดานะจะต้องมีชีวิตอย่างน้อยที่สุด17ขณะจิตประมาณนั้นจะจุติก่อนหน้านั้นไม่ได้ต้องมีอายุ17บเจขณะจิตนะงั้นแล้วก็สมว่าขณะอันนี้ขณะจิตที่หนึ่งนะก็ไล่ไปจนถึงขณะที่17ถ้าจะจุติก็จุติแถวนี้นี่นนะอันนี้พวกที่อายุสั้นที่สุด รูปพังพอดีนะนะนะพอมีอายุเท่ากับขนาดรูปแล้วก็ตายเลยวันนี้ก็ก็มีที่จุติขนาดนี้ก็มีอันนี้สั้นที่สุดเพราะว่าบางพวกตายตั้งแต่กระละพวกที่เขาวางแผนจะไม่ให้เกิดทั้งหลายนะแต่ไปขอเขาเกิดเขาเลยเบียดออกมาอย่างไงทีนี้เมื่อมองสิ่งเหล่านี้คือชาติชาติเหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนตัวที่จำแนกพวกนี้จริ ง, รงๆคืออะไร อะไรมาจำแนกพวกนี้<ำ>ปฏิสนธิตัวนี้ที่จำแนกคือกรรมกรรมที่จำแนกให้กายต่างกาันปฏิสนธิจิตต่างกันเนี่ยก็คือมหากุศลมหากุศลจำแนกพวกนี้ผู้ตัวที่จำแนกกายต่างกาันปฏิสนธิจิตเหมือนกันก็คืออากุศลกับปฐมฌาน เนะเป็นตัวจำแนกตัวที่จำแนกให้กายเหมือนกันปฏิสนธิจิตต่าง ก, ากันก็ทุติยะกับตติยะฌานจำแนกตัวที่จำแนกให้ปฏิสนธิจิตเหมือนกันร่างกายเหมือนกันก็จะตุติฌานตติยะอันนี้แบบแบบปัญจาการในคือตติยะฌานและ จะตุทะชาญโดยจะตุกนัญเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้ปฏิสนธิจิตต่างกาันเออปฏิสนธิจิตเหมือนกันร่างกายเหมือนกันทีนี้ก็กลุ่มอรูปฌานคืออากาสานัญญาตนะกุศลจำแนกวิญญาณัญญาตนะกุศลอากินจัญญายตนะกุศลเนี่ยจำแนกก็กรรมอ น, นี้เรียกว่ากรรมภพโดย ท, ทั่วไปใช้คําว่าภพเลยเป็นไง แต่รู้กันว่าหมายถึงกรรมที่นำเกิดแล้วพบทั้งหมดเหลานีมาจากไหนเนี่ยนะก็มาจากอุปาทานเนี่ยนะอุปาทานเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแยกให้ น, นะแยกว่ายังไงแยกว่าบางกลุ่มเนี่ยนะเน้นหนักในกรามบางพวกหนักในทิฏฐิบางพวกหนักในศีพนนนพลพริเนี่ยนะ ศีลพัตะเนี่ยนะหรือศีลพรตบางพวกนี่หนักในอัตตาเอ่อแต่ละอย่างเนี่ยนะทั th ้งสีอย่างเป็นปัจจัยทั้งได้ทั้งหมดเลยเช่นกามุปาทานเป็นปัจจัยให้ทำกุศลอกุศลเหล่านี้ได้ทั้งหมดทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยให้ทำทั้งกุศลและอกุศลเหล่านี้ได้ทั้งหมดศีลพัตตุปาทานเนี่ยนะทำให้ทำทั้งกุศลและอกุศลได้ทั้งหมดอัตวาทปาทานก็ทำให้ให้ทาได้ทั้งหมด ทีนี้อุปาทานเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากตันหาทั้งที่เป็นกามะตันหาภวะตันหาันวิภาวะตันหาถ้าว่าไปนะตันหาสามปาาาเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานตันหาสามเป็นปัจจัยแก่ที่ถูกปาทานตันหาสามเป็นปัจจัยแก่ สีระพัตุปาทานตัณหาสามเป็นปัจจัยแก่อัตวาทุปาทานตัณหาเหล่านี้มาจากไห น, นอัะนนะัสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างเนีย่ยน ะ, ะแล้วเวทนาเหล่านี้มาจากไหนเนีย่ยนะมาจากภาษะ ภาษาสองก็ได้นะมีชื่อหนึ่งเราเคยได้ยินภาษาสองอ น, นะคืออาธิวัจนะสัมผัสอธิวัจนะสัมผัสนะกับปฏิฆาสัมผัสก็เวลานีนะอย่าไปเน้นดูตัวหนังสือนะให้ฟังเสียงเอานะ ขอมาก็ลากๆไปอย่างนั้นให้ให้มันมีพอพอรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรเฉยๆนะไม่ขาบอกตรงว่าไม่มีบุญเลยในเรื่องการขีดเขียนก็จะอธยตอไปไงยัอธิวจนะสัมผัสกับปจิตขางสัมผัสปฏิฆาโรดสัมผัสโรดเลยคก็จะอธิบายต่อไปไงยังไม่ทันอธิบายเลย อ, ญญา อ, อาทิวจานะสัมผัสหมายถึงผรรษะในมโนทวาร นนะปฏิฆาสัมผัสหมายถึงภาษาในปัญจทวารรวมเรียกว่าภาษาหกนี น, นะภาษาหกเหล่านี้มาจากอะไรสลายตนะสลายตนะพวกนี้มาจากนามรูปนามรูปพวกนี้มาจากไหนมาจากปฏิสนธิที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่ น, นนะ วิธีไล่ก็บอกว่าชรามรณะมาจากไหนมาจากชาติคือการเกิดชาติมาจากไหนมาจากกรรมกรรมมาจากไหนมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากไหนมาจากปัญหาตัญหามาจากเวทนาเวทนามาจากผัสสะผัสสะมาจากอายตนะทั้งหกเนี่ยนะอายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากไหนก็มาจากปฏิสนธิ แต่ที่นี้ปฏิสนธิไม่ใช่มีครั้งเดียวใช่ไหมก็รเรียกว่ามีปฏิสนธิบ่อยๆเมื่อมีปฏิสนธิบ่อยๆก็จุติบ่อยๆไอ้ระหว่างปฏิสนธิกับจุตินี้ก็ทากรรมอีกบ่อยๆนั้นสรุปเกิดบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆตายบ่อยๆแล้วก็เกิดต่อไปอีกบ่อยๆนั่นเมันวัตตก็เป็นไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าในาตันหามหานิทานสูตรเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพบเหล่านี้ที่เกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายในภูมิทางต่างอ่ะถ้าไม่มีชาตินะพบเหล่านั้นจะมีไหมพระนนก็บอกไม่มีพระเจ้าค่ะอ้าวถ้าไม่มีพบเนี่ยชาติตเหล่านี้จะมีได้ไหมบอกมีไม่ได้ถ้าไม่มีอุปาทานเนี่ยนะจะมีพบเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยจะมีอุปาทานเหล่านี้นไหมไม่มีถ้าไม่มีเวทนาตัณหาเหล่านี้จะเกิดได้ไหม ตัณหาแบบนี้เรียกว่าตัณหามีวัตตะเป็นมูลนนะตัณหาที่มีวัตตะเป็นมูลแต่ยังมีตัณหาอีกหนึ่งเรียกว่าสมุทาจารุปปันะตัณหาที่พุ่งขึ้นกำเริบขึ้นแบ่งตัณหาที่เป็นสมุทาจารุปปันะก็แบ่งออกเป็นสองเอสิตะตัณหากับเอสิตตัณหาเห็นไะ เอสิตะตันหาก็คือขอไปเอสนาตันหากับเอสิตะตันหะเอสนาก็คือตันหาตั้งแต่แสวงหาพวกเอสิตตันหาก็คือตันหาเมื่อรักษานะตันหาที่จะแสวงหาให้มันได้ก่อนพอแสวงหาจนได้แล้วก็มีตันหาในการปกปักรักษาอีกเนี่ยนะแต่ว่าสรุปว่าตันหาเหล่านั้นทั้งทั้งสองอย่างก็มาจากเวทนาเวทนาก็มาจากภาษะเหล่านี้ภาษาเหล่านี้ก็มาจาก อายตนะมาจากนามรูปเนี่ยนะะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าชราและมรณะถ้าดับเหตุนั้นนั้นได้ปัจจัยเหล่านั้นนั้นก็ก็ดับเนี่ยนะแต่ถ้าตามสูตรนี้ยกถ้าจะดับจริงๆเน่ดับสตัวองตัวหลักตรงนี้นะตัวที่เป็นกิเลสที่จะดับถ้าดับสองตัวนี้แล้วที่เหลือมันจะดับเองเคือดับกันหากับดับอุปาทานเนี่ยนะ ตัวที่จะดับตัณหาได้ก็ต้องอาศัยอะไรสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัณหาคือสมถะเนี่ยนะแต่คนที่จะเจริญสมถะดับได้อย่างสมุดเฉดต้องควบคู่กับวิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนาถามว่าวิปัสสนาพิจารณาอะไรก็พิจรารณาภพสามเหล่านี้นั่นแหละในมหาตัณหาสังขยาสุตรขออภัยมหานิทานสูตร พูดถึงพระผู้มีพระภาคให้รู้วิญญาณทิฏฐิทั้งเจ็ดโดยสมุทยังคะนะหนึ่งสองอัดถังคมะสามอัาธะสี่อาทีนวะห้านิสรณนะ เนี่ยนะต้องต้องเอาสูตรเราเนี่ยมาทำมาทําการวิเคราะห์โดยสมุทยังคะเนี่ยนะก็คือพวกเราเนี่เป็นไปอย่างเงี้ยเป็นไปเพราะเหตุอย่างเนี้ยเช่นชรามรณะมาจากชาติชาติมาจากพบพบมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหาตัณหามาจากเวทนาการรับรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สมุทยังฆะอัะนนะีรู้สมุทยังคะ หรือพูดสัมนวนรัดลัดง่ายๆว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปเป็นต้นจึงเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปประคันจึงเกิดเพราะภาษะเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดนะถ้าถ้านั้นจะกล่าวแบบอันนี้แบบปฏิจจสมุปาฏิาระแบบสมุทัยังฆ่าคืออนุโลม พออัดถังคมะก็คือรู้สิ่งเหล่านี้โดยปฏิลมไอคํารู้ปฏิลมหมายถึงว่าถ้าชรามรณะจะดับเพราะปฏิสนธิดับนะปฏิลมไม่ใช่เดินทวนขึ้นมาเฉยๆนะแต่หมายถึงว่าคือทวนหมดเลยทวนลักษณะที่ว่าถ้าชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีถ้าพบไม่มีชาติก็ไม่มี ถ้าอุปาทานไม่มีพกก็ไม่มีถ้าตันหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีไอการทวนลักษณะนี้ทวนแบบตรงข้ามด้วยนะอันนี้เรียกว่าปฏิโลมเนี่ยนะอันนี้คําว่าอัดถังธมะไอการรอบรู้อัดถังธรรม ะ, ะสมุทัยังฆากับอัดถังธมะเนี่ยนะพูดแบบไทยๆเรียกว่าเกิดกับรู้ดับรู้ความเกิดของสังสารวัตรกับรู้ความดับของสังสารวัตรผู้ที่มีความรู้อย่างนี้เนะี่ย เป็นรั์ข้อที่อริยรั์ข้อที่เจ็ดที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรเป็นซั์ที่เป็นปัญญาปัญญาที่รู้เหตุเกิดและความดับที่เป็นอริยะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นถามว่าไอาการรู้ความเกิดเนี่ยทำไมต้องรู้แบบนี้รู้ความดับอย่างนี้รู้เพื่ออะไรเนี่ยเนยเหตุผลตรงๆเลยก็คือถ้ารู้ความเกิดละทิถีได้คือกุจเฉด พวกสายอุเฉตถือว่าแรกคือเกิดจบคือตายพอตายแล้วถือว่าจบกันเนี่ยนะ ไ, ไอพวกอุเฉตทิฏฐิเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมาอาธิบายไปอธิบายมามันเกิดอย่างนี้มันเป็นเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีพวกเอ๊ะอย่างนี้ก็ไม่ไม่ตายจิงสิงั้นก็เที่ยงใช่ไหมอา้าวตายแล้วก็สมมติว่าจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิเอางั้นมันก็เที่ยงสิ มันก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดมันก็อยู่อย่างนี้แสดงว่านี่รันดรแก้แก้ไม่ได้อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นบอกว่าธาตุดับเช่นดับชาติได้ชารามรณะก็ดับนะถ้าดับพบได้ชาติก็ดับนะพวกนี้ก็เลยละตรงนี้ละละอุเฉท ท, ทิฐิเออขออภัยอัตถังธมะรู้ความดับเนี่ละสัสตตทิฐีได้ไอชั้นต้นเนี่ยต้องแก้ให้จากอุเฉให้มาเป็น แก้ไปแก้มานะฟังไม่ดีเหมือนแก้ให้เป็นศาสตะให้บอกว oh, ่าวัตตะมันเป็นอย่างนี้นะเ mm hmm. สร็จแล้วก็บอกถ้าจะดับมันดับอย่างนี้เลยทัน mm hmm. แก้ทั้งศาสตะดูอ่ะตอนแรกแก้อุดเฉดตอนหลังแก้ศาสตะ mm hmm. ทีนี้เมื่อแก้ทั้งอุดเฉดและศาสตะได้เนี่ยนะ mm hmm. คุณต้องรู้รอบรู้อาศาธาอาทีนวะอสอาศะท า, า, าคืออะไรสุกกับสมนัทเนี่ยนะ สุขสมมนัทที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือตัวปัญหาที่ไปเลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้นั้นอัศาธาตะว่าตรงๆก็คือสมุทยสัจจะรู้สมุทัยคือเหตุเกิดของอะไรของอาทินวะมีไหมปฏิสนธิวิญญาณสักแห่งหนึ่งที่เที่ยงเหนนทั้งหมดก็คือมีแล้วก็ก็ไม่มีนะมีแล้วก็ไม่มี ทีนี้คำว่ามีแล้วก็ไม่มีเนี่ยท่านแรกๆท่านมองแบบหยาบก่อนนะเช่นนรกนี่มันมีอายุเท่าไหร่นะเปรตมีอายุเท่าไหร่เดรัชามีอายุเท่าไหร่มนุษย์มีอายุเท่าไหร่เทวดารุกขเทวดามีอายุเท่าไหร่จัตุมมีอายุเท่าไหร่ดาวดึงมีอายุเท่าไหร่มันก็คือมีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดแบบนั้นนะมองเป็นเป็นชาติไปก่อนนะก็เริ่มซอยละเอียดละเอียดละเอียดซอยจนกว่าจะตัดฉันธราคะได้ ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงจนกว่าจะละฉันำราคะได้แต่ว่าการเกิดในภพเหล่านี้ mm. การเกิดบ่อยๆถือว่าเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะมันไม่มีสาระอย่างแท้จริงใช่ไหมคำว่าทุกข์ทวนอีกครั้งหนึ่งมาจากคำว่าทุบวกขังทุแปลว่าบอดี้ขังแปลว่าว่างเปล่าเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ดีด้วยมันก็ไม่มีการสารก็ทบทวนดูนะคุณวิลาวันตอนประโยชน์เมกาคิดถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง มีอะไรบ้างตรงนั้นฝันเอาไม่ใช่เลยตอนนี้นตอนนี้ฝันเอาใช่ไหมตอนนี้ตื่นขึ้ น, นแล้วนะนะคือจริงๆแล้วนะชีวิตที่ผ่านมาไม่ต่างอะไรจากความฝันมันจะสุขมันก็คือฝันมันจะทุกข์มันก็เหมือนฝันเพราะหยิบให้ดูตอนนี้ได้ไห ม, มไม่ได้มีหนังอยู่ <laughs> อุตส่าห์เก็บภาไว้อีกนะ แมอะไรน่าดูเลยนะอาวอ น, น่าดูเลยนะมีนะองค์บอกว่าจงละตัำหาที่เยื่อใยในขันในอดีตใชเนี่ยนะแล้วก็อย่ามุ่งหวังขันในอนาคตแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบือน่ายและคลายกำหนัดในขันในท่ามกลางก็จะสงบราคะาโทสะและโมหะเที่ยวไปได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีโทษนะคือไม่เที่ยงอยู่ดีเนี่ยนะแต่มีนะธรรมะเป็นที่สลัดออก ทีนี้การที่จะสลัดออกจากสิ่งเหล่าน so well ี้นะสิ่งทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นสังขารธรรมใช่ไหมสังขาธรรมใช่มคือเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะเมื่อมีสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจะต้องมีธรรมะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเมื่อมีขันที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจะต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ขันที่นอกจาก ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใช่แล้วก็มาคิดถึงถ้าสงบจากสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งเยนะก็เจริญพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะแทงตลอดธรรมะที่สงบประงับที่พระพุทธจเจ้าแสดงไว้แล้วนั่นะันอันนั้นก็เป็นนิสรณะนะนั่นนะมันปฏิสนธิวิญญาณทั้งเจ็ดนี่ต้องเอามาทา ปริญญาด้วยนะเอามารู้โดยสมุทยังฆะอัฏฐานคมภอัฏสาธะอาทีนวะและนิสรณะด้วยนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าจะเอามาทําปริญญาเนี่ยนะเอาเอาส่วนไหนมาทําก็เอาส่วนเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นหลักมาวิเคราะห์ดูในชีวิตจริงๆเนี่ยกรรมเพื่อปฏิสนธิในกายในภูมิที่มีกายต่างกาัปนปฏิสนธิจิตต่างกาันเรามีไหมนั่นนะ กรรมที่ทําให้เกิดร่างกายต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเนี่ยมีไหมไห น, นะก็มาไล่ถึงสิ่งเหล่านี้เพร้นถ้าจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ที่ที่กรรม น, นะนะที่กรรมเหล่านี้แล้วผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัตาเนี่ยพ้นจากเจตนากำไหม้ก็ไม่พ้นไม่พ้นก็เลือกเกิดเอาได้เลยอนะ เอ๊ะเป็นยังไงฟังไม่เข้าใจพร า, า, ามันเลือ ก, ยย ก, กเกิดนสย่นออาารานีะมันไ้เลือกเกิดนี่ยมอากกยัเอใช่ไหมเลือกเกิดนสยใช่เป็นอะไรบ้าง ค, คือคือเลือกเกิดเนี่ยนะมันไอ้เลือกเกิดเนี่ยมันเลือกยากแต่อ้เกิดเนี่ยมันเกิดอีกแน่ใช่ใไ พยายามใช่ไหมพยายามนี่มแปลว่าอะไรแปลพยายามนี่มันถูกพยายามหรือเปล่าแปลเป็นบาลีก่อนนะสมาธิปัญญาก่อนอืมถ้ามีเหรอแปลอย่างนั้พยายามแปลว่าสีนสมาธิปัญญาเหรอใช่มาตบกันนะนั่นไงอ่าอ่ว่าไปเราจะเขียนตามอะไรอีกไม่ไม่ไม่เสียหรอก ฮ่าาฮ่าฮ่า